ต่เจยร่อทุกวันนี่สติปัญญาก็น้อยเทศกาลการอาหานก็ไม่เป็นแต่ว่าปราิจการฝ่าเวเรียนี้ก็มีได้สายประพับที่จะไม่ส่งเสียกรอบไปทั้งสิ่งต้องการอันใดจะมาแน่นเกาะฉันบาดอยู่ถ้ยกให้กับผู้เรียมสติปัญญาว่าปราิจการต่างดินจะไม่หยุดซึมมาเยนขึ้นที่กอ ว่าดงนี้เขาเจาเจนความที่ตกใจกอดรหาอัมีอยูเดีวเจสิ่งที่นาทใหญ่ไม่ฝากเเจาเีนด้วยด้วยยิ้มจมอมทีุ่มาเยนนว่าดงนั้ติดในว่าจได้ดียเดท่านมาเจรจาดัน้ใครเดือดแต่เ้าช่วยชนู่ เพาอุสาหะไม่ดีที่เกิดชีวิตสูามาญตัวเองประเกิดความความมากเดให้รากะราคจากเสียน้ำหลักต่อกรรมจากราชาชนผิดได้ทำใมาประชาชนดอนเป็นสิแล้วก็ยกแผ่นดินให้แก่ผนาเกลีงครอบครองสืๆกันมาเขาจะเจอวันนี้ผมจะจะทำสิ่งใดให้เดินเดือดร้อนหาความผิดไม่ได้ ส, สินธจะให้ยกชนบทใกพลั้นใน น, น, ใ น, ใ น, ในั้นดูให้ ค, คดดันด้เปลีายนเกณฑป่าขนเรืยะนั้นท่าเจตเกณฑ์เรงนี้ก็ปรึกษากับตาอุนหรอรว่าการติมงขนเรื่อยๆยังไงคนดองการดอุ่นรท้งสองก็เป็ ผ like like ูดผู so, ้นี้เขาจะเคราะห์บุเห็นบินเร่งเดยกัแล้วซึ่งเองจะแขแงอยู่นนิมินะการเตือนตัวถึงวันนี้คที่เขาจะไม่ผ่อนผันก็จะมีภัยมาขอเป็นจงโลกฉันบให้เกียของทก็จะมีความสึขสืไประเจ้าโจรเรีดฟังฉันนั้นการบินีูง่อ ดูดูความเชร้ายดูจากระเจโจเววะจางไเลยอ่อบอกกล่าวถึงเจาวยวนมันก็จำต้งเ็งชอบเดือนจริงกันหมดคุณ น, นายท่นืว่าถึงเรียนนีขึ้นาให้เขาพร้อมกันในวังและก็กจากพี่ชางท่านเพื่อว่าครั้งถึงวันกันหคุณรายท่านเก็กขพร้อมกันในทสุดแล้ว พระเจาเจ้านก็ยกเอาปลาสำหรับ่าว้แงการเมืองเหมาะกับกินอองคือใหกับสุมาเสียนกินอ๋อก็รับเอาปลาหยดในล้นหนึ่งเป็นที่สูชูระบื้องขึ้นต่ำปลาขึ้นอาทั้งสองแถวแล้ก็ร้องเรีย่พระเจ้าเจ้าวนขบมาคุกแถวนทนับต่อหาขึ้นมาระยเวลาเสียบโตเสวยประมาครอบครองดบบนี้มาได้ยีปี เจโฉผู้เป็นอายาตาตออการของท่านอ็กำจากเสือขึ้นครองราชสมบัติสืบแทอมาถึงสี่สิบห้าปีปิและปะักหลินแผ่นดินก็รุ่งเรืองถึงจุดนึ่งที่เราจะได้เป็นใหญ่แในราะสมบนะัตินตัวท่านจะมีความมีตรเป็นเลยสมาเหวี่ยงขึ้นที่หนองกลายดังนี้แล้ว ชี่มาเียก็คเป็นพระเจ้ากีองขอเกะเจ้ากี๋องแล้วพระเจ้ากี๋สองก็ไปหาพรเจ้าเกลวนเป็นผู้ตันอิ้องคยไปกินเงินกินลงเสียกันหนักนะนี่โดยมีข้อบังคับสั่งให้มาก็อยากให้มาเ้าเป็นอันขาดทีเดียวพระเจ้าเกิวนจะสัมผัสกันร้องให้ แลารา้จีาขอข อ, อยู่ น, ะนินลงเสียและถนัดมเจาจแลจะเซเลชนั้นคือตอนนี้ก็เปลี่ยนชืเลี่ยนดจากดวงโจซมา ขณะนี้นชูมาเอียนได้เสาะสมักเป็นพ้าเจ้าจอนองเม่นจนกับทีพุทธศักรา808กติกย์สังให้ลดรอยไม่เท้าทน้น่พวงซึจัดเรียนจำชื่อและให้นามเมืองวิโก้ชื่อว่าเมืองไต้จีนแต่นั้นมาถเปลี่ยนจากชื่อวิโก้ มาเป็นช่อเวียนตายจริงครั้งนี้มาวันหนึ่งเพื่อเก็บชีหชื่อชื่อมาเอียงกอกเสด็ออกว่ารับจัดการศึกษาด้วยคนายทันต์ปงให้เกณฑ์กองรับยกไปซีเวียนกางปัง มืต่างๆแต่ทีสับดัชมาดเนซ่งออร์จนซ์แมนเขาก็จัดโววนและวกต่างโจวเป็นใหญ่แล้วแล้วส่องหินก็จัดรมวเก่งกองพับเป็นโยกมาเอาเมส์ต่างๆฉะนั้นก็มีเขาทยุกรองแต่จะกระทันทุกชันมาดเลนแล้วก็ถึงแต่ความตาย เนี่ยครับอ่านเพลยิสื่อเยเขาเหมว่าะบอกสวรรค์นครับดูสวันคข อ, อ, อ, อะไรนี่เขาเหว่าเลยถึงแกอความตาเขาว่ายังนี้เลยาาการพริจารณางพวงแตงต่งศพก็ะสิน้นหัวที่ปรกษาจะยกชิ้นเลียนผู้เป็นพระจะมุขข้อะจะสมบัติจะตามเ น, นพระบิดาตามพระลย์สืปป่รานา มันเห็ดเปียกเปล่คุณนายผูใหญ่ที่ศึกษาว่าสิ่งแตยกสินเปลี่ยนที่เป็นเรื่องของข้นว่าจการเมือนี้ก็ชอบอยู่แต่ถ้าว่าสินเปี่ยนนี้มีสถิตยาน้อยยังยาวแต่กว่านะเห็นจะว่าประจการไปตลอดขอให้เอาสินโบสินกันหลนก็าเจะสินเปลี่ยเป็นเป็นของสิน่นนครอบครองก็จะสมบัติ เด็กมีสติปัญญาห ล, แลัแหลงนจะปกป้องอน า, นาคตราชดอนได้ท่าคุ้มงานทานปรวยด็ดกยิ้มเสมาคนให่ทั้งสองปรึกษากันจนนับเห็นพร้อมเด็กกันทั้งสิ้นละครางทีเรียนเต่าขึ้นขั้นก็นตก่งกาเพื่จิจาาพิเศษสิริโุสิริยง ตึ้ครองก็จะสมบัตมีตารถ่างสิลป์าและทิ้งท่านให้ทิียนที่เป็นดินเพชรเจาะที่ดีนะเป็นที่เตียงอองเป็นจ้าเตียงอองให้เ็นหองเ็นหองขึ้นงเปล่าอายยืนผูเป็นที่ตายซึมมากแทนเเจาะซีนเฮดเสียด้เสมัติแล้วก็มีเคราะห์ภันเรโรเชือฟังทแทนอินหุนที่เป็นฐานที ทีได้เอาใจใส่สกิจกาบ้านเรนทั้งปวงเศษซุ拉เป็นน้เตียงเหลียงเบี่ยวป่าวสื่งเป็นพื้นงานทุก ใ, ใหญ่เห็นพิดไปฉะนั้นก็เข้าไปซื้อพัดตาห้ากลามเป็นหลายครั้งเพื่อจะซื้อโวคนนี้ไเฉียดฟังให้ตัวพนงานทั้งสองนี้สให้เอาตัวไปฆ่าเฉเลยหบี้ยว่วีเป็นหนึ่งในสองทีนสนากรนี้เน้ขึ้นเป็น เาสตร์อไปทับงานเขาพักพ่วงเข้าอย่างนี้ผูสั่งก็ติดน่าเสียตอนนั้นมาขึ้นมข้นเกณฑ์ก็กลัวเกนี่นอาจพิจาห้ามกราบถึงทับท า, า, านไ้คนอยู่ในเคตสิโหัวก็ยกไปสั่งอยู่นับิดเชียงแต่เกณฑ์ไปแก้ปัญหาในสภาสาาาาาาระาาดอนให้ไปตัไม้มาทำา้าน สร้างวานีการกระทำเช่นนี้เป็นสอประการจะเป็นการสร้างความเจริญหือด้าขาด้านเมืองสงบสันติสุขป ก, กติมีมีรัชทรัพย์ในครอบครองม า, มาพอที่จะกาาได้มนส่วนที่เดืยวร้อนก็ทาไปเฉยแต่ปัญหาเป็นช่นนี้ใหม่ม ต, ต, ต้องตเตรอยตรเดัตือนและอาณาปรชาตกระดองเนรฟังความเพียนี้ เราเป็นเชน่นปฏิบัติหาเรื่องงความหมายชื่น อ, อนี้มาชาวบา้นนานอนาคตชาราษฎรต้องเดือดร้อนไมได้ทำมาหากินกันได้ต้องไปตัดไม้สร้างวางทาวาง แ, แต่ชีิตอาหารก็ต้องเตรมได้เองพราะคอเป็นบัณที่ไปกระทเช่นนั้นที่ไดรับความเดือดร้อนเป็นมากท่านทำวางศกหลอกกึกษาดหอกหยก เ่คังเจ้าชู้ยินจะมีเจ้ชนอยู่ในวัยจจตายการเป็นให้เป็นหองเป็นนยายฐานใหญ่ออกไปตั้างท่าดูตามดินชาชเทะเนั้นพระหามาจะัดการกองทัพมูลวิโกวะโดยฐานเรื่องเ่านี้ก็ผ่าน้อมกันอยู่ชอะพียทีแล้วแต่เราจะยก่อทีเรื่องวิโกวีดวหลังจะชลี่แยกแทนแทนพระเจ้าเราเสีย เราจะคนทั่วไปขนกสบดีงเร่อีจยวไปสบู่เพราะคนเราตั้งต้นตั้งแต่่งเรอารีที่จะไป่วิสขุนนี้ยากด้วยกัไม่ต้องกกอนจะมีสิ่ที่ ก็ยังยากต่อการที่จะกระทำเช่นนีได้แต่บัดนี้พระเจ้าซินเฮนศษาจะยกฮับไปไปีเงาือว่าสิเดที่ยกคอนท์ไีนมสเปนนั้นจะจำเป็นอย่ายิ่งบนี้เมืงเซินหลงก็เสียแกซสมาเทียแล้วซมาเทียมีใจสเร็นะหมายจะยกมาเีบนกงฝันีขอเรียมจแจงต้องการรักษาบ้านเมืองไว้ อย่เพิ่งยกไปก่อนเลยเ น, น, นี่ยเรมึงสั่งขบเจ้าเจ้าขืนยกทหาไปในบัดนี้ก็สมมติว่าเอาสายไปขึน้นเขากองเพลงหรอกก็ยกทหารอย่าง น, นี้ให้เจ้าขืนโว่เลยฟัง a ังนั้นอัปโรว์ที่ว่าเราคิดอ่านจะยกข้าไปทำต่อสู้มอีกเอารเรือาไทยชนะตัวข้ า, าบัตรแหนี้เป็นอัปมงคลจะมีชอ ดูฮะเลือตาท่าทนดูม่คือใมาแต่ก่อนทานรไม่ออกเราจะบทหารชีวิตเสียชีวิตหานไปเนี้นก็สั่งให้ลิ้นซูขับหอกหยกออกไปจากที่ฝั่งที่ไม่ถึงทหารแต่การทำชนนมีคนนักหลายหลัหลกหอกหยกลนขับออกมาข้างนอกกระอรบใจใหญ่แล้วก็กล่าวว่าสมบัติในเมืกางป่านงนานไป ก็จะเป็นของพื้เมืองของดกกล่าวดังนี้เลยและั้แต่มันมาหองดกคุณอาคุณยายสิมงีเดียรก็บอกไปเลยหรือสิริสานทรที่เอาตัวออกไปเอะบอกไปเลยมีเด็กเข่ามั่งเามีเด็กเขามให้คำปรึกษาเรื่องการงานเมืองังแต่ก่อนเลยฝ่ายข้าเมนก็สั่งให้เลาะยู่ลของ คนที่ใช tamam ้การชั่งเงินเช่นท <mumbles _ zych> ีมที่อาจจะโยกเงินเช่นเด็กมาชัยหรือว่าทีสาบิชก็เลิกความไปเชื่อใจชูมาเอียนนักเมืองใต้สินมีก็จะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นใต้สินละชูมาเอียนก็คงจะตีนออนมาชัยรู้ก่อนว่าจะเชื่อใจชูมาเอียนมัวามา a นี เขาเจอะซนโหนตาเจนานีรองั้งลมยมาตีเนียงเซนนาาซีนาเอราะจีนออจาะนะแต่คุึกษาคุณงคันปูวงตาอื่นพืชพืวัมกี้ค่จเจะแกงหเจาะซีนโว่ไเนญ่เอตนนดาัคือบกเนตกอ เราเคมีแผ่นดินฟังสื่นหาเป็นจกติดนะีไหขอให้กองมีรับสัง่งก็นเงเกียวเก่าซึ่งเป็นม ม, ม้ทหารมี่มีสงเด็จนะั้นให้ส่องสื่แตัดแยกหารรักษาบ้านเดืองแให้มัดองคนคอ ย, ด, อ ด, ย, ด, ยดูีครื่องทีมีการตัาเพืออันตรายเสาร์เนที่อย่างารประการใดเราเมื่อใดเราจะจะยกทัพใหญ่ไปดปีเอาเห็นจะได้โดยส เป็นคำปรึกษาของตาปรึกษ า, าเก่าแก่คนนึ่งซึ่งก็เป็นวามจริงครับท่้าชุมาเหยียบ น, นกเห็นชอบเลยก่อนเป็นเสียเสียงเจียวกาจเป็น GI สงเตามใครทำผิดพลาดนั่นนั่ น, นทุกปรา เลีเ่ยงสาเห็นเชยงหยู่รัตตเจริญข้อรับสัจากพระเจชาชมไเอียนแล้วกาอเกณฑ์ทาหารออกไปสรางรักษาไทยในที่ ส, ยยส ม, มุทรครั้นมาวันทาหารเข้าบับอกว่าปับันล้ลกข่องนายทาหารกลางฐานยมาสร้างอยู่ด้านลายแดนก็เรียบร้นสั้นงเสรนจถึ่แล้วท้าพ่ทาหารก็ไม่ไดตึงกันตึงว่าเป็นกโดเกลือ ร้อยท่านเรียนโลกฐานในเชนปีเอาเห็นเด้ชายช น, นะเดินเนีะยเด่ยเกาเดกข่าวชนี้ก็กิ่นว่าอันโลกข้องเรืนนี้เขาเป็นรูปโลกซึ่เป็นที้มีชาตริปัญญาเป็นสามะาทั้งที่มีก็เข็งแข็งเป็นนายทหารใหญ่เดินจั่งทางชิง้นนี้สมานในการถา้งความมาัช้ามาสิ่งแจลกประหาดเบา จะยก เ, า เ, เขาไปตีเขามันชอบเราเห็น ร, ออนนนน ร, รถ้ า, า, ถา เ, เ, เาานนรเ า, เาตั้งมั่นรออยู่ฟันกิจกิจเตียมต่างเห็นได้ชีวิตจะยกไปเตรียอเอาอยากัำรู้ตัวจะมีหรือเดี๋ยวาวกลาอย่างฐานที่เรีด้ฟังดังนั้นก็ทำนับเห็นชอบิเดียกเวตั้งมั่นเรียมการทุกอย่างพร้อม รอฟังที่จะสับมุ่งตั้งแต่ยุนักลดันเซงจิงสายให้เจ็ดซีรีส์หินสังข์ที่ไม่มีสิงเจ็วล็อกห้องว่าเรย์ด้าปนบันลุยไปดิบจุด เข้ไปเอานชนะให้จบได้แห่งโลกของแกงในหนังสือเก่ซินโบแห่งกันปางใด น, นั้นก็จะมีสินธีต่อไปว่าซึ่งเทอเอ็นจะให้ขกไปเจ้าเรื่องดุของทัพรีเข้าไปนั้นยังไม่ได้เชื่อมติก่อนจะขอตัง้งมั่นไว้ถ้าได้ช่องและเมื่อดยด้คุณจะยกกคำถามเข้าําการเข้าไปเอาชานะ เขาแยกเช็นได้ดีตมเลยอันนี้จะจัดการฝ่ายนี้เข้าไปเจ้าจพดคอร์าเอาเป็นคนงานเพื่อจดสื้โพได้เจ้าดังนั้นก็เชิญเพอนจำบีวันลกข้องนี้ไปตั้งพัรพกมัเป็นแช่มาชะรอยแบบจะไเป็นสังฆวรสเพลเซนต์เดียวกัห็นเสนเดียร์เขาจะพาเข้าไปเป็นขวกัดกานนี้ี่คือสัตว์สวรรค์เป็นแม่ของ มิ s t ิสอย่างนี้ก็มิสซิสึงถึงแบบมิสซิสสอบขับข่งมาดังนี้มิกระทตามที่เราบอกก็ส่งรถเก๋สั่งิลีตออก i ปเป็นนายใหญ่เขาให้คนทั้งเมนะพี่เลีแล้วก็ให้ขอลถห้องเสียออกจากตำแหน่งหรือรถ้องถูกอนจากตน่งจะมีดืแต่ก็ไม่ดื so. ้อหรอเรว่าทํากรตามรับสั่งนี้ มังอาจมีดสูสต์อกัดแข็งมาชนีลุข้องถืถอขวาฝ่ายเยี่ยงเตเห็นเฉยหยุดมีดไตจิ่าเหินเยี่ยง ก, ร, ยกระเจิชิงโฮประทึกผิดสนทมีดแต่ก่อนม า, ารืกิอนาจประชาละกอดต้งพูนิวรรค์อิจฉาระาชาชิงชังเป็น น, นั่นและบาด ม, มี้ก็กระทันการมนักดีให้ทอลกข้ององอกเส้นแนี้ เนว่าอาการอาการยังส e ั่นเฟื Haha. ่อยโกเ่าก <fun ut> <fun> ็กเสียที่ไปแจ้งแ่อจะซื้อมาเย็นาเมีสายยิ้ขอความครับแล้วยกมาตีอมนงนีเือ้เย็นไปแนี้อดันั้นกนการโดยลอยร้เรลยกแต่ในักสมังเสมอกับลิส่องสมเต็เียนจะไปอสงฐานอยู่แล้วบัตนี้ เห็นเป็นชีวีวก็ตาเรียนฐานเข้ากองทัพจะโยกมาตาอุ่นจนิ้นนายที่ใหญก็ถือห้างเดีวกองทัวก่อน้ีมาเยก็เห็นชอบแก็มเ็นาตากห็นนกไก่อนเถอะีมาเยเห็นชอบเก็กองทักัเดียวกจยพระเจ้าชีมาเยนี่ก็กองทัมาาจะเป็นสงสก็อใจใหญ่ดีย ว่าเรียนกาฝันี้เสียไปเก้าส่วนแล้วยังแต่ส่วนเดียวจะได้เดืนห้าราเสร็จถ้าเจ้าชุมมาเวี่ยง่เดหกองขับมาเนี่ยคิดเสียลายานักมือร้อลดทันถึงปลาสือเล่นยกเต้าตื่นเลยนึแล้วก็ถึงแต่ความตายไปถ้าเจ้าชมาเี่ก็ไปเดือดเต้ เป็นที่ปิมหลังเจงจิ๋วมาเป็นนายทหารรากกาักษ า, กามเมือ ง, ง, งเงจงจิวแทนความจงรักษาเมืองเิเป็น่หลังจนจิ๋วความจริงที่นตําหนครับรีว่าลบข้องและเป็นหองลบข้องถอไปล้เป็นหองงนายนาทหารเก่าตัดขั้นจะมีเนื่อชีตวันหนึ่ ง, งถึงแต่ความตายแล้ว ดวงนาขันใหญ่ๆที่มีสติปัญญาปลาไปถึงสองนี่นี่โอขามึงตังค์มงหนีแล้ก็จสินโฮก็ระพิจารณเซียนเซอร์สุาเป็นนี่คุณงานผิดใญ่ที่ไม่จะพิจารณาระการใดก็มีฟังหอกจากมีฟรงหอกบังกับังให้ออกตัวเปรนทหารชีวิตบันก็ใหตัดตัดจมูกชี่ยามาไปช้รักบอลก็ได้รับความเดือร้อนเป็นนักมากอ่า เ ต, imientos, imientos, uns, ต่าที่เต่าที่คุณเป็นพิมลันกงคุ้มม em ห็นตำแหน่งเดียวขาวนี u เอาให้จินมีนี่ซก็จ้งงนี่ค a ยยกคอท่านมาทีเ n ี่ a จังสัง e เดียวกับพอบอกไปเหมกันะเพาจะชเือนก็พห่าทเน่ยเ็ต้นดเ ย o มาเง l นยงเงินให้ตีเอาเงิน t ่าๆแล้วให้ซื้อมเต้ยงจากเยงเคูมันห้าหมื่นยกไป n างอินโตนให้อองหยงคูมันห้าห n ื่นยกไปทางอุลกันใ้อองหยงคูมนห้าหมื่นยือเช e ยงให้ห h ห n ้นหุ้นคูมันห่นยกไปทางตงบุญแห r เขาตังบ t ญให้อย n ่ในบังคับมัจจา เป็นใต้โต๊ะแบบทับใหญ่ให้ดูดงามมากของเต้าอีสิ่งทุกหมดชุกกองและเจอเป็นดวงตักเป็นปีนขึ้รียสำหรับจะทำเส้รข้าวสารได้ดีหรือว่าใต้จินนิโกคือสุมาเย็นสังทับเข้าประชิบการตังแล้วใครไี่จะงยอกชื่อ มาใช้กุริใบมีความใบแจ่มแดดพระจอกสินเวนำเรือไปเปลี่ยนตันข้าเจ็ดสินเวก็ปิดสาเจ็ดสินนางคันเดืงงเ อ, ดงเองเด i ยวเขาก็ถือว่าถ้าเนั้นขอตัวแต่งกองทัพไปปั้นรับมาเรียนแปลงเหรินแทนเขตสินเหรินยกแผนกองหนึ่งไปตั้งปั้ น, น, น, น, นรับภายบนเหวเข้าอีกพันส่วนตัวเข้าไปเจาะกับสินเองโลกที่กัดจ e งจะคุม้มล้านสิบลูกเป็นแม่ทัพใหญ่ ยกแต่งอยู่ในตำแน่งเลี้ยงถือความองอับเลงตายถึงก็ะเจาซีดเ n อเชยององจุนไลของช่ซีนถึงชอบมียก็ยกฐานทัพเปลี่ยนไปต่เอ็มว่า ของโกดังสองที่ยงเหลือนะครับก็จัดกาทําการได้แต่แเป็นอย่างเมื่อพระจดจิณเวสังจับท่าคำถาเบี่ยงโยไปได้เาัเสร็จกาะเสด็จกลับเข้าขงังในนี่ถึงขีซึ่งเป็นคนสนิทก็จึงทูลถามว่าว่าจะดการความ่งจะคิประการใดพระเจดิณเหก็บอกว่าอันรา้การทางโบสถ์เราจะตัดเอง ็นาหารไปสกัดอยู่ที่ตําเบนละยังวิก่ก อ, อยู่ไปทางนี้ซึ่งองเรือเป็ น, นกองโบกมานึน่ยังหาที่ใดที่จอบรับ้านทางนนได้ยินหนิ้มขันไปใกลาชิก็พนว่านันกองทัพเรือนั้นเรงจัจบปริญญาใหไว้พนักงานเข้าไปเจ้าจะคิดคุยมาให้แตกให้ส่ได้ เขาเจ้าชิโก็ถามว่าจะคิดอย่างไรมีหินขันตีก็คือว่าเ้าพเจ้าคิดว่าจะขอใหเอาเหล็กมาปีเป็นสายโซ่สักห0้ า, าร้อยสายสายละห้าสิบวาเอาไปขึงตั้นในน้ำเมือต่างๆเสียแล้วจะได้ปักขวาดเห็กไว้ใต้น้ำนอกสายโซ่ไออป กองเรือข้าศึยกมาก็จะเดนขวางเลยเข้าปิอยู่เอเลียก็จะทะเอลดลถ้าแก้ทหารก็จะเดินไปสิบหายไปเองการเคลื่อนเท่านี้หรืออยากเดียร์ระเจ้าชิโได้ฟังขันทีใกล้ชิดกา่าบอบายที่จะทาลายกองเรือข้าศึอย่งมีการาดังมีเส้นชอกเบี้ยแสงขัดแสงใีาสายโซ่ คือเอาเล็กมาทำโซ่และขวาเล็กเป็นอันมากทีเดียวและค่อยขึ้นปากไว้ที่ทางเลี้ยวแม่น้ำ ม, มืองต่างๆทุกตำบลไฟไต่กเต้ยไต่เตี้ยต่มับใหญ่ของชิมาเอะคุ้งไพรพรมนิยมโยกถึงตำบนเขาปาสังแต่ในเวลากลางคืน ค่อยซึมผานเข้าไปในมมากควาเวลาดึกเช้ามาชายก็มีความแตงแกลก้อเอียนสีหนิงอเอียนสีหนิ ง, ออ ง, งนก็ยกพลทหารทั้งทางบกทางเรือเข้าโจมีกองทัพเต่าที่เป็นสามาแต่เวล า, ชาวเช้าเต็มเที่ยงที่รบ ก, กันอยมันทหารลา้ายเป็นอันมากแต่กองทัพเรใต้จินของเต่าที่กองทัพชุมาเอียน เห ม, มนเล่มามา ก, การ์ตูมาม่ากองทังเมืองต่างน้อยตัวกว่าอีจฉเองหนอเย็นสิ้นเห็นเข้าไปลิงบอลยกกองทัพเมืองใต้สิ้นเกินกระเพิ่งหงอเห็นสิ้นนะครเมือ ง, งต่างๆทั้งสองคนเนี่ยถึงแต่ความตายเนไมเสี่ยนเอาเมื่อคนมาทั้งสองตายอะไรอย่างนี้ทหารทั้งสองก็ไม่มีน้ำใจไม่มีกำลังใจไม่มูผู้าดใครคุ้ด้วนี่ ชื่อนี้ได้ละก็แต่พ่ายไปเต้าที่ไ ด, ด้ที่แบนี้ก็ย้อเอ้งรียรายาเรืี่มาที่ถึงงานทางวนั้นตางก็ออกมาทำมาซื่งที่เรเยแหที่เป็นเรองมีความพกพ า, าเกยกับเศษฉวนเมื่อผู้เจ้าหลอเสีย่ยีเอาตาัดเจการหิเรียนเเียงน้อยต่าง น, นา น, นาทัาง้งเพียนั้นบบบบก็มีแต่กระจายเดี ทีม่มีสึกมาชนิดต่างก็ไม่เ็นใจที่จะต่อร่องกันไปอย่างไดอ่ะก็ออกมาทำรัออกมายอมแพ้เอาตัวรอดไปทั้งนั้นแหละเราอี่ก็กำชับฐานนักเรีอนี่ทำมันตรายาลไรบ้านรงนีเป็นอันขาดเดี๋้วใครจเกินว่าเห็นเพราะได้ที่หมวดิดกกอจะได้ยกขเข้าปีเรนการสางต่อไป ไเรยเรถที pues ่เป็นทวกความสอดนนะครับที่มาสอดเนนตามดํามัเรเหลังนี้ของเราเอเี่ยก็สเรียเข้าไปสอดเนียนดเป็นเรี้เล็นเรียเลยถึงสายเสื่อถงความเรียที่เรียต่างๆก็ทําไว้เสนั้นก็กลับไปบอกแจกกองทัพเรอของกุย เอ็นยนไม่ับเรือเด้สาเห็นใช่ไหมว่ออาอุปกรรดเขาจัดการป้งรองกันเจ็บนี้มีโซ่เล็กควาเล็กอา่ามีนิดน้ำปักขึ้นได้มากมาช่ไหมนะก็สั่งการให้ฐาน ป, ปักไม้ปักไม้ใหญ่ๆมาทำแพรเป็นอันมากแล้วค่อยเอาดินขึ้นมาเห็นด้านหลังแพรดึงเ พ, พื่อแพรมันหนักอ่าจะได้อีกควาอีกเล็กเล่านั้น แล้วให้ตั้งเอาชักศิลป์ด้านแผ้แล้วก็ให้ติดไม้ก็ติดแพ้แหละเอาไม่จะติดไม้เรียนไม้แพอ่ให้ใช้ไมแเล่นเข้ามาตามลำคลองนั่นแหละในน้ำค้างนั่นแหลเอาเชือกโยกค่อยตามมาข้างหลังนม่มีหยุดจดสงกองทำลายขวาเลยเข้าไปกองดีดพันแพร่ใช้ไม้ลอยเล่นเรีเข้ามาติดขวากนเอามืตก็ติ แต่มันติดกับเตินเสาเติมซึนมาเติมเที่อมาทำแพรจะเป็นอะไรอะมันไม่เคยติท้องเรียนขวาไปเสาติดซึนฉะนั้นคลืนพักและโค้งเคลงโค้งเคลงนี่ความโค้งเคลงของคลิปเรียนที่ซักแพรดีแหละขวาเลยกุดคูคอร์ดคูพรอมขึ้นมาสึ่งแพรต้เรียเข้าไปที่ดินสายโซ วางเทนไปหลังแพ่ที่ยั้งเตาสีตั้งเตาชักสีไปหลังแอร่เขาก็โซ่ขึ้นมาเอาไฟเผาสายโซ่เขาให้เลยลืเตาชักสีเผาสายโซ่เขาให้ทหาทังกงงองขึ้นไปเดินเลยแล่อยสายโซ่ถูกไฟชักสีเผาแดงแล้วกวนี่เขาปักใน ท, ทันทีทันใดนะโซ่ก็ถูกตัดขาดไปด้วยวิธีนี้ นี่เท่นี้เลยสามารถแก้ไขคะกนของะขังทีม่มการตายได้สำเร็จด้วยวิธีนี้ทำลายขวาดเล็กน่าทำลายเซาเล็กน่ า, าเมื่อ ว, วามแผดเคลื่อนเข้าไปทำลายขวาดเล็สสาเร็จแล้วทำลายเซาเล็กเสร็จแล้วตีเรียร์ยุกเรียร์รำามเข้าไปในร่องวงได้เข้าไปในแม่น้านะมีการตายน่ะ ถหารยินตลางศาลสินขอด่านหน้าที่ก็แตกหนีไปสิาหารดวนใตยสินได้ขีนก็ขึ้นไนร้ข่าฟันเป็นอลหมาสินเองจิตกัดเจงเดียวเขาตัมาใหญ่ี้ก็ถึงจะความตายทั้งสิ้นในต่ปรินทั้งสามคนตายสิ้นทั้งสามคนเลยนี่แม่ครับดนกล า, างศาล่อยร้อไปตางๆ ก, กันเตาี เป็นแม่บนโอโย่ถึงเป็นแม่ขับเรือเห็นได้ชัดว่ามันก็ยกฐานเงินกำลังเข้าล้อมเงินต่งตงางอุาาบายเพศสงโหดเพ็สากลสุดท้ายอารัลงินทางต่างว่งนั้นเถอะเพศสูงโหดขึ้นอพอาะประเทศดูนกำแพง เห็นทหารขาสุร้อนเลือว่าเป็นสาทหารขรั้งดวงของการทางก็ข่าแทนหนีายนี้ได้ตอดซืเลยก็ฝรรทไทยนะชักกระบี่ออกจะเชื่อคอรตาย น, นางทัดวงก็เข้าห้ามความดีกระบี่ไว้แล้วก็ทูลว่าพระองค์จะปะหารชิงนนั้นหาประโยชน์นี้ได้มีก็เป็นสมดับระเบิดมี้ผ่นดินแล้ว คือปรตูดินแดนดินคื อ, อแพรก็ต้องนอบม้อมย้อมแพรขอทุกอนยกมอบหนุนดับพระเจ้าเราเซียงแห่งเฉลิฉวนตามนขมนุกอมเมียงเถิดพระเจ้สุโมก็หิ้งด้วยจึงให้เกิดประตูเมืองทั้งสี่บาแล้วก็ห า, า, า, ออาขุนขามาทั้งตัวออกไปทำมะ่วตุนโยนแม่รับเรือผู้ขาบรถก่อน จะเอาบัญชีเฟรมเงินบัญชีสินงของในสองประรการมอบให้กับองค์โดยทุกประการองค์ โ, โดยก็มีความยินดีรับสิ่งของและบัญชีทั้งทวนโดยแล้วก็เป่ารองแก่นายประชารัชบาลทั้งทัวร์นั้นให้ยุดตามทูลำหน้าทุกตบลโดยจังหวัดวันที่เกิดนุ่นวายหายประการใดและออกคำสั่งห้ามทหารทั้งทวรของผมเนี่ย นี่เขาทำย่ำมีแต่ทามานปรุงเป็นอังขาดแล้วก็ต่าจะเตาอีกดีว่าจะการดึนต่างสซุนเอินโยนั้นก็ด้พาเอาพระเจ้าสุนโฮและขุนนานทั้งปวงมาเฝ้าพระเจ้าสุมา เ, นะมเอียนเมืองใต้จีนเรื่องรา แต่แ เ, เราจีชื่อเดิมคือมีโคกโลเอียนก็ไดแต่ชื่ใหม่เขาเป็นใต้จิ้มสุมาเอียนเนี่ยพี่ยกข้อตีการต่างนี้ก็เป็นสองทัพเช่นเดียวกันกับเวกครั้งสุมาเกียวให้จองโฮกับต้นนายใกล้ชิดเสยๆเหมือ น, นกนแต่ครั้งนั้นสองายคระมีมมีสามีเกกันแก่งแย่งกันก็เป็นทาลายสันกหมดแต่มาครั้งนี้ วิธีการาเดียวกันะ เ, เป็นภาพใหญ่สองภาบเอาอีกับเอเินโดยแต่ทั้งสองนาับมี้มีมสามารถในการบดีจิไไนกีนสสตสางได้โดยนี่เ็ยมีการณ์รุนแรงแต่ย่งไรก็คือเกิดต้นเตือนวัาการ สูสีแค่เอ่อดูพระเจ้าซุนโฮถูกชไปลายจีนซูมาเอียงพราะเหนยเห็นพระเจ้าซุนโฮขมากข ม, มากแล้วก็ซดพบฮักซบมาอยู่ลกพระเจ้าซูมาเอียงก็กลับสัพยอกว่าพี่อันนี้เราแต่งไว้คอยฆ่าท้านาแานอยู่แล้ว พระเจ้าสุมาเอียเนปเป็นชนสภโยมันุพระเจ้าินโฮที่แพเนก็พูดว่าพะเจ้าจีนการสนั้นก็ได้แต่งที่ไว้ทำนัพระองค์เหมือนหนึ่งชาติก็ท่านนานหลายปีเหมือนหนึ่งที่คนแตไ ว, คว้คอยท้าพระเจ้าเชนการมีการปรับสภโยกย อ, อ, ยอเองนกันแบพระเจ้าสุมาเียนหรือพระเจ้าสินโฮถอยทีแต่สภโยมเป็นชาตินั้น ตาองตาก็ทรงะส่วนชื่นชมดีด้วยกันแล้วก็แกต่งโมารีนาปางมิขณะเมื่อสุรา่ันกาอุกานขึ้นมาดใหญ่ยยในพระเจ้าสุมาเหวินเนี่ยก็าถามพระเจ้าซุนโธแห่งการปงว่าเมื่อข้าดูดการปางนั้นโดยยินยมาว่าให้ปาลู ก, กาาคว า, าค น, า น, าาาานีดุใาอุ่ะ กขาเชิบโว่าเห็นมาระว่าเลยจอเีตัวเราเป็นเจ้ามิได้ถุนแรงเขตัวนี้ได้สั่งบิมังค่บัญชาทำละเมินจากขมุขละเมินพิ่เราทิงให้คำพวกเหตุายอ่ะตัวมาถามจนนี้จะแค่สแบบส้งตามันใดนี่ผู้แสดงยกะึ้นเชิดซุนโวเ็อย่ากวัยเด็กเชิดศักรวิรุณอตต่อพ่อยนานีกไม่ยอมลงให้สัปาร์อ้มเลยมแมต่น้อย เด็กฟังดั ง, ง, งนั้นก็อภยกิดใจอนห่างก็ยิ่งดูคนเพองจาบะ ล, ะละกราลือน้ไปถามนั้นโล่ก็ซูโเป็นุกแพ้แล้วคน่องจับสอบถามไปเนปนั้นผู้ตอบเอา่อนี้ก็ถึงกับนิ่งไป อ, อนะิยศเกิดใจมะขณะนั้นพรเจ้าซูเอียนพระเ้าเมาเอียนก็ิ่งสร้างแต่พรเจ้าซูโเป็นที่ เด้งเฮาเลอกรบอยากชุนโให้เคยนเดงเฮาตำหน่งงเป็นตำแหน่งตำแหน่ ง, งนึงเท่านั้นบรรดาผุ้แมงที่ตามมาด้วยนั้นก็ต่างแต่งให้ตานห า, ามาสรกตามคูแล้วก็เปืนอทางรางวัลคูมาเมฆแต่สหารของพระองค์ท่านวงที่ไปทำการด้ชายชนะมาโดยสมควรตามความชอบทุกประการ ซูมามาถึงซูมาเอ่งนี้จึงรวมก๊อทั้งสามเป็นก๊เดียวดเื่อปี่งศตวรรษแปดอยปีสุดทและลูกราวสามก๊นี้เป็นธรรมดาแผนดินมีความสุขก็นานแล้วเมื่อมีความสุขนานแล้วก็เกิดความเดือดร้อน เความมดืดร้อนแล้วก็ได้ความสุขชนิดเป็นอยู่แบงนี้นี่ธรรมดาของแผ่นดินและกระจายจะบอกเป็นเมล็ดเกลนดแดนกระเ ท, ทืของตัวแล้วก็กลบรวมกันเข้าแยกออเป็นสารก๊กแล้วแล้วก็รวมเข้าเป็นก๊กเดียวกันชื่อว่าเมอ็ดต้ากินนับมาตาบำบัดระสับภายหลัง พระเจ้าสุมาเหียนเสวยราชเกิด ส, สองปีพระเจ้าโอววนจึงถึงแก่ความตายครั้งที่สองกหนดสีปีคมส่สปีพระเจ้าซูวก็สงความตายครั้นเสวยราชเกิดเจปีคือสุม า, าเหีน เ, สส น, กก น, น, เนี่ยาลังจากโจววนเนี่ยและผูครองบ้านป ส, สองปีโจววนก็ตาย ปรมาอีกสปีซูโแห่งการฟังก็ตายตมากจ็ดปีพะเจลาาเสือนเชืสายพระเจะลาลาวีิงเสลยขเียนก็ถึงความตายโดยบรรยายรุ่งราวสารโกหมีก็กโมดู สนามดูดพอสมควรปะกอบด้ยอย่างนี้บางอางนี้บ้างในช่วงโมงอาว่าเป็นอย่างนี้เถอะร้อบช่วโมนครับเนี่ยครับร้อยยบแปดก็เทอง2้บเนี่ยครับสองบช่วโมงทีนี้ก็มีหยุดบ้างวันเสาร์บ้างวันอาทิตย์บางถึงไปทจังหวัดก็ต้องหยุดไปบ้างกบอปรีมาณแล้วก็ เป็นปีนะครับเป็นปเลยเกือนเกือนไปเราเขได้จบสาม๊คลไปแล้วและผมก็บอกเองไปว่าการ่านสารโอ๊จบแล้วจะไม่นาสามโมาอ่านอีกผมบอกไปถึงนนะครับคือจะไม่อ่านสามโอ๊คซ้ำกันอีกละจะไม่ไอ่านอกากาศก้กันอีกะผมว่าอย่างนั้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ <c oughs> การสก็โค้งซก็ได้ในวันจัรที่จะวินนี้เออไม่ะครับนี่จะเป็นอะไรดีวันจัร น, นี้คือผมไม่เคยชอบเกี่ความคิดด้านนั้นเอาไว้คิดกันปัจจบันว่าปัจจุบันอย่ายงไงดีนะครับคิดนานก็กลุม้มนานผมไม่เคยชอบกุ้มก็เลยไม่คิด ที่จะเขียนเรื่องยาวรวสึกินสยามราคราวนี้จึงใคร่ลองเขียนดูสัก้นๆเรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้พอจะเรียกโดยว่าเป็นเกรทธงสวนานทจีนสมัยแนดินใต้เพลงิงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหวงังพุทธศักราช2377ถึงพุพธศักราช สองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเกี่ยวข้องกับทีวาประวัตวิของพระมางองไถเฮาซูสีซึเปสตรีที่มีประวัติพิสดารโลกผลที่สุดค น, นในโลกได้ครองแผนดินีนอยู่ถึงสี่ ส, สิเจ็ปีทรงไว้ซึ่อำาหือชีวิตคนจีน หลายร้อยล้านคนและเมื่อพระนางสิ่งชนมาย่ลงไปแล้วได้ไม่กี่ปีราชวงศ์ไปเ้เชงซึ่งเข้ามาปรามาพิเศษในแผนดินจีนจากมมนจุเรียและครองเป็นดินจีนไว้ได้ท้านานก็สิ้วนวงไปนิสัอไระว่า ท่านผู้เฒ่าห้องไทยเฮาสุสีนั้นได้มีผู้เขียนไว้หลายเล่มทั้งในภาษาต่างประเทศและในภาษาไทยที่สําคัญในภาษาไทยนั้นคือเรื่องนานพยาห้องไทยเฮาอันเป็นพระนินธ์ของนมอศแต่นิสัยทั้งสองนั้นเป็นการบรรยายตามบวชานธรรมดาหาได้ใช้คารมบวหาน Live! กุลราชธิดามีความสามารถควกคุมรีพน ไ, ได้จึงยกกองทัพใหญ่เข้ามาตีกรูปัดจีนกองทัพกรูปัดจีนก็พแพ้แค่กองทัพม่อจูพระเจ้กจรูปัด ก, กินต้องถอยหนีอพยพลงมาทางทติดใต้และออกจากแผ่นดินจีนเขาไปอาศัยอยู่กับหมากรูปอ๋อง มะเรียนม่านกออันเป็นทําเลประเทศที่อยู่ของชาวป่าทิศใต้ขุ ม, มาลผู้เป็นรัชนัดดาของพระเจ้ามูรหาตตูนั้นก็ปราบนาถเสนนเร็จขึ้นมะเรียนปัดกินกระเดกขึ้นตะลึงตะวันก็เจริญสมบัติทรงพระนามว่าพราะเจ้าเทียนซองขึ้นแผนดินใหม่ขึ้นแผ่นดินใหม่ละ นานนานแผ่นดินว่าไต่เชงแผ่นดินทีมทั้งลองก็ราขาบมาช้านานหลายชั่วกระสับจนถึงแผ่นดินก็เจิเตากอุ่งกินพูดพูดเหล่าเรือกันไปเป็นคำพังเพยกล่าวว่าหากมีสตรีแท้เยโฮนาลาขึ้นครองแผ่นดินเมื่อใด นดินต้เชงจะสั่นงงถึงการประโยสารและพร่ดินมีกีดวงก็จะเกิดการระมุดวาหาความสุขสงบนิดได่อันนึ่แทะเยโฮนาลา น, นเป็นแทะของประสมมวงของแผนดินใตยเชงเมื่อครั้งยมีอำาจอยู่นะมิจู กระจัดการแผ่นดินวายเสียงเดินทางไปถึงเงินปากกินแล้วก็หายไปยี่ได้ส่งข่าวไห้บิดามารดาทราบเลยนางเป็นจมากบุตรสาวคนเล็กนั้นมีรูกโฉมสวยสะครานแต่ก็หาสติปัญญามิได้ต้องคอยพึ่งแต่มารดาอยู่เป็นน้อันวุลเสียงนั่นเป็นคนมักน้อย นี่เด็กใหีในรักดวยนารับแต่เบียววัดมินตปีมันเลียรภญราไปวันนิ่งวันหนึ่งนี่แสวหาทรัพย์สินรวยเก่งสิบบนกระทำทุจริตทีไม่ชอบจุนางหวันนิ่งวันหนึ่งวยเียกไ่นหนังสือคอให้นางมีหุ้ปรภรรยาดูแลบ้านเรือนเลี न, ้ยงบุกไปตามลำพันรดยเกียร์ก็ยากจนลงทุกสี มายูหะวากล่าวตาะโกนประการใบก็กกนอนี้ได้ฟังหากรรยาขาดการเงินทองไม่มีกระจับจ า, ายใช้สอยรวยเชียงก็นำเอาของเก่าที่เบย์เป็นบรโดกตกทอดมาจากบิดามานดาไปขายกินแล้วเบยกินมาพอกระทงความลำบากไปภาคหนึ่งหาที่จะทำการสิ้นใบให้เสร็ล่าเป็นสัหไม่ ประมาณเยนาลาพีนอายุประมาณสิดยเียงผู้เปีดล่นเจ็บม้นหรักษาพยาบาลอาการรทียงก็ดารืมีแต่ซุดลงเทียวยประมาณวันก็ถึงกับความตาย นายนีฮูรูเห็นสามีถึงแก่กรรมก็เสียใจมะร้องไห้ถึงลง้มลงสลบไปเลยนางเยโรนาราผเป็นหนุกก็ขามาักแก่ไขหวดเฟ้นฟื้นคืนสตี ข, ขึ้นมาได้ก็ร้องไห้พรมากความไปต่นงๆนฝ่ายนาเงเบนจมาม่าผูน้องสาว ก็คนแต่ร้องไห้เสียสใจด้วยบิดาตายก็ต้องตกเป็นภาระของนางเยโฮนาาแต่ผู้เดียวนำเงินไปสู้อโลงมาใส่ศพบิดาและวก็ฝังศพไว้ในบ้านบ้านขึ้งเส้นขมับศกตามประเพนี้แต่รวยเียง น, นั้นด่ากจนนะเป็นผู้มีอำมากน้อยเมื่อรวยเียงตายลง จะมีผู้ได้ในเมืองคูนั้นมาขมับศพก็หมา่ น, นันเยเรนาราเอ็นดังนั้นก็กล่าวเพ้อที่แกมานดาและนันเป็นจะมากผู้น้องว่าอันความเมตตาอารีนั้นหาไมา่แล้วคนยากจนนั้นมีทุกยิ่งนะแต่ครั้งบิดาเราผู้หาเลี้ยงตายลงทุกนั้นก็ทับผลยิ่งขึ้นเป็นสวีคูน จะไมมีใครอยู่และวเราผู้เป็นกำพรบิดานี้ก็หาไมา่หากบิดาเราบริบูนด้วยัและอำนาป่านานี้ก็จะมีคนมาทำมับศพกันคับขัน้นเราและมาดากับน้องก็จะไม่ต้องาอาภรในสิ่งอันใดงางเยอาลาเลาได้เตรียมไว้แล้ว ก็ลงคุกข่าวอัลมาโคกับพุชีรารงหน้าลงใส่ศบิดาแล้วก็ประกาศใหเสียงนันดังว่าข้าพเจ้าขอสามานตเต็ต่อน้าศบิดาว่าในชาตินี้ข้าพเจ้าจะต้องมีอัลมาประซัพตธริขานี่มากกว่าคนทั้งปวงให้จได้ ผู้จาประพฤตสิ่งใดก็ควรจะคิดถึงชาติกระดูลของเราไว้จงหนะหาควรผู้จาเพื่อคอยประดุคนเสพเลยหารกระดูนไม่ได้นั่นไม่แมนยิวนมาราได้ยินมารดากล่าวเช่นนั้นก็ได้คิดจึงนิ่งอยู่มาและมมนยินกล่าวกับมารดาว่าอันความข้อนี้ คุณจะมาทราบดูมารดาบอกมารดามียากอี่ที่ ก, กุงปักกิเป็นคุณมารดาวาฒน า, นนาข้าพเจ้าก็พอจะวางใจก็เมื่อเมืองมันนี้ไร้ที่พึ่ประการะีสตคนเหยียดหยามดูถูกว่าเรายากจนเหตุฉะน้นมารดาจึไม่คิขยาขยา ย, ย, ายพาข้าพเจ้าและน้องไปอยู่ซที่เมืองปากกิ่ อดีตนนขบเจ้เด็กสาวว่รืองซุ่ยผิดนสดของกระตูนบิดาก็อยู่น้ำเงินงปาติงแต่ฝันสด บ, บิดาไว้น้ำเงินงหูมันนี้ก็มีบังควรไหวเสียงผู้น้องของขระบเจ้าซึ่งเป็นชายจะดูประตูนบิดาก็อยู่น้ำเงินงปากิากงฮะฝันสด บ, บิดาไว้น้ำเงินงนี้ ต่อไปจะได้ใครเป็นผู้เส้นธรรมะสศตามเทศกาลข้าพเจ้าจงเห็นว่าเราควรจะนำศพ บ, บิดาไปบรรจุในะหวงซูนุปักกินและตั้งรบรามาที่นั้นจะได้อยู่ใกล้กับญาติของมารดาพอจะเป็นที่พ่งที่อุปการรักกันได้มาน่วุลุฟมารดาเดฟังที่ คนโตกล่าวทั้งนี้ก็ร้องไห้และก็พูดว่าเจ้พูดชะนี้ประดุดยกอาวัธใจของมารดาออกมาวางไว้กลางห้องให้คนณัม่เอวได้เห็นตั้งแต่ดีดาจะล้มเกิดเห็นอาการจะไม่รอดมารดาบริบแต่คุณคิดอยู่แต่เรื่องนี้นี่ขาแต่ทุกการขึ้นมาแล้ว ที่ตูการขึ้นมาแล้วก็ขับสนจนปัญญามะเพราะมีปักกินนั้นเป็นหนทางไกลจะเดินทางบกโขนจะมีคนอันตรายเพราะจะถูกโจมเพื่อจะเดินกลางทางอนนมีศพมีดาของเจ้ามันหรอกก็จะขับได้ทางกกเดชเป็นสะดวกรละจะหมดเปลงนะถ้าว่าเราจะไปมีปักกินก็จะต้องไปหาไปไปทางเรือ ตามรำครองแต่เราก็ขัสดสมด้วยซัยังมองไม่เห็นทางที่จะหาเช่าเรือแพเข้าไปสมงให้ถึงที่ได้เลยานานงี้ยูรุสุมา้าสูดดังนี้แล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นลุกไหวาานางเบงจะมาที่ดานน้อยไม่ได้ที่นั่นเลย แต่พอ่อต่อว่ามันโยนาราผู้พี่สาวต่างๆหาว่ามาเ พ, พิ่มทุกในก่มารดาม่อยามนี้มันโ ย, า น, ายนาราพี่สาวก็ประหวัขึ้นว่าเจ้านี้เป็นคนหาสติปัญญาไม่ได้หากเกิดมีภูเก็ตตนก็ไม่นี้ที่จะคิดแก้ไขนีแต่จะร้องไห้ยิ้มตะกียบ